เจอปัญหามันต้องทำอะไรสักอย่างนะเพื่อจะแก้ปัญหาแต่บางครั้งการไม่ทำอะไรเลยอาจจะดีกว่าการทำอะไรต่ออะไรมากมายก็ได้มีผู้หญงคนหนึ่งเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยไปลงเล่นน้ำแถวเกาะสมุยทีแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็สนุกสนานกันดี แต่จูๆ่ๆเธอก็รู้สึกว่ามันมีคลื่นที่ซั์เธอเนี่ยออกสู่ทะเลแล้วคลื่นนั้นก็แรงด้วยที่แรกก็ไม่รู้นะแต่ว่าพอสังเกตเถูกซั์ห่างจากฝั่งไกลขึ้นเรื่อยๆก็ตกใจนะพยายามไหว้เข้าฝั่งแต่ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ย ก็สู้กระแสน้ำไม่ได้เ พ, เพื่อนเพื่อเนี่ยก็เห็นนะล้ก็ตกใจแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าเธอก็ถูกคลื่นซัดไกลออกไปเรื่อยๆเธอก็พยายามว่งหว้ข้อฟังแต่ว่ายิ่งไหว้ก็ยิ่งหมดแรงจนจุดหนึ่งเนี่ยเธอก็รู้สึกว่า สงสัยตายแน่เพราะว่าคืนก็แรงส่วนกำลังเธอก็ค่อยลดเกือบจะหมดลงแล้วถึงจุดหนึ่งล้วก็คิดว่าเนี่ยคงตายแน่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเลยเว่าเออพร้อมยอมตายก็ตัดสินใจนะว่าเนี่ยพร้อมตายเนี่ย ก็เลือกขนขวายเลือกดินรนที่จะไาวข้อฝั่งก็เรียกว่าลอยตัวให้คลื่นทะเลเนี่ยมันซัดถาไปตอนนั้นเธอรู้สึกว่ามันสงบมากเลยไม่มีความตื่นตระนกเพราะว่าพร้อมแล้วยอมแล้วยอม เป็นอย่างนี้อยู่พักใหญ่นะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีคลื่นเนี่ยนะมาพัดเธออีกทางหนึ่งเป็นคลื่นหรือกระาย น, น้ำจากทะเลเนี่ยพัดเธอเข้าหาฝั่งตอนนั้นเธอก็เลยรู้ว่าเนี่ยหลุดจากคลื่นที่เขาเรียกว่าคลื่นทะเลดูดแล้ว คลื่นทะเลดูดมันคงจะหมดแรงแล้วพอเธอรู้ว่าเนี่ยเธอหลุดจากคลื่นที่ว่าแลวเนี่ยถ้ามีคลื่นจากทะเลเนี่ยมันค่อยๆพัดเธอเนี่ยเข้าหาฝั่งเธอก็ลุกลงกำลังนะไหวยเข้าฝั่งเพื่อนเนี่ยซึ่งเฝ้าดูเธอโดยที่ไม่รู้จะทำอะไรได้เนี่ย พอเห็นเธอเนี่ยว้ายเข้าหาฝั่งก็เลยเนี่ยพากันว้ายไปช่วยเธอประคองเธอเนี่ยกลับเข้าฝั่งถึงฝั่งนี่ก็มหมดแรงเลยนะเธอไม่รู้ภายหลังว่าไอ้ตรงบริเวณนั้นเนี่ยที่เธอลงเล่นน้ำทะเลเนี่ยมันเป็น มันมีคลื่นชนหนึ่งนะเรียกว่าคลื่นทะเลดูดคลื่นทะเลดูดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทั่วไปนะมันเกิดขึ้นกับชายฝั่งาบางจุดที่มีลักษณะพิเศษแล้วก็มันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะระยองนี่ก็มีเยอะ ชุมพรทุ่งวัวแลนก็มีแล้วเธอก็รู้ต่อมาว่าเนี่ยมีคนตายเพราะคลื่นทะเลดูดเนี่ยเยอะที่ตายเพราะอลรนะตายเพราะว่าพยายามไหวยเข้าฝั่งนะสู้กับกระแสขึคลื่นทะเลดูดส่วนใหญ่ก็ว่ว้ด้วยความตื่นตหนกแต่ว่วเท่าไหร่ไหวเท่าไหร่ก็ ไม่ได้ช่วยอะไรเลยสุดท้ายหมดแรงเพราะหมดแรงก็จมน้ำ เ, เสียชีวิตแต่ว่าตัวเธอเนี่ยจะเรียกว่าความที่ยอมนะยอมตายพร้อมตายแล้วก็เลยไม่ขวนไหวยที่จะว่ายเข้าหาฝั่งมันก็ทำให้พอ เธอถูกคลื่นเนี่ยซัดไปจนสุดกำลังของมันเธอก็เลยหลุดจากคลื่นนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลาจากฝั่งนะแต่ว่าพอมีกำลังนะค่อยๆว่ายอาศัยคลื่นจากทะเลเนี่ยค่อยๆซัดเธอเข้าฝั่งก็ช่วยทำให้เธอเนี่ยสามารถถึงฝั่งได้โดยปลอดภัย ในถ้าเธอเนี่ยเกิดพยายมไหว้ข้อฝังเนี่ยแทนที่จะอยู่นิ่งๆแทนที่จะลอยสุดแท้แต่คลื่นมันจะพาไปเนี่ยเธอคงตายไปแล้วตายเพราะหมดแรงแล้วคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะพยายามที่จะไหว้ข้อฝังสุดท้ายก็หมดแรงแต่เธอ ไม่ทำอย่างนั้นเรียกว่าอยู่นิ่งๆการที่เธออยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็ทำให้เธอเนี่ยรอดตายจริงเนี่ยถ้ามีความรู้เกิดขึ้นทะเลดูดเนี่ยก็จะพบว่าว่ายเข้าฝั่งเนี่ยมันไม่มีทางรอดมีแต่ว่ายขนากนกับฝั่งจนกระทั่งหลุดออกจากคลื่นทะเลดูด ซึ่งมันมีความความกว้างเนี่ยไม่มากนะสักห้าสิบหรือร้อยเมตรถ้าไวขนาดก็ฟังเนี่ยจนกระทั่งหลุดจากเอื่อนได้เนี่ยก็สามารถที่จะไหวก็ฟังได้ถ้ายังมีกำลังหลงเหลือนะหรือมีคนมาช่วยก็เป็นแต่ว่าเนี่ยที่เธอรอดตายเพราะเธอยอมยอมตาย และการที่เธอยอมตายก็ทำให้เธอเนี่ยไม่ดินหลน่นไม่ควนขวายอยู่นิ่งๆกาลายเ็ว่าการที่เธอไม่ทำอะไรเลยเนี่ยกลับทำให้เธอเนี่ยรอดตายได้ส่วนคนที่พยายามทำนะพยายามไหวนะ้เกิดอะรอรท่องร้อยเนี่ยก็เสียชีวิตทุกคน เวลาเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยบางทีการไม่ทำอะไรเลยหรือการอยู่นิ่งๆเนี่ยโดยการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ตื่นตระหนตกตกใจมันกลับช่วยเราได้ดีกว่านะการทำอะไรดิ้นดนแต่ว่าช่วยมันก็ไม่มีสูตรสำเร็จนะอย่างมี ฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยเมื่อสักห0สิปีก่อนเนี่ยขับเครื่องบินใบพัดพยายามพยายามข้ามเทือกเขาแอนดิสนะในอเมริกาใต้เทือกขาแอนดิสมันสูงมากนะแต่ปรากว่าเกิดอุบัติเหตุนะเครื่องบินตก อดีตที่เขาเนี่ยไม่ตายเพราะว่าหิมะนี่มันหนามากถ้าตกกระแทกพื้นดินเนี่ยก็คงตายไปแล้วแต่ว่านี่กระแทกในกองหิมะซึ่งหนานี่ก็เลยไม่ตายแต่ก็เจอมาให้แบบนี้นะคือว่าจะอาตัวรอดได้อย่างไรนะท่ามกลางเทือกเขาซึ่งสูงแล้วก็หนาวเหน็บ ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยอาหารก็ไม่มีน้ำก็มีน้อยแม้รอดตายแต่ว่าในการที่จะเอาตัวรอดฝ่ากองหิมะหรือว่าหลุดออกมาจากเทือกเขาเนี่ยไปเจอผู้คนเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องที่ยากมากเขาก็ โดยนะฝาหิมะโดยที่ไม่มีเข็มชิดอะไรเลยเนี่ยสามวันเต็มๆนะนึกภาพนะอากาศนาแบบนั้นเนี่ยกลางคืนเนี่ยไม่รู้จะหลับยังไงไม่มีไม่มีฟืนที่จะให้ความร้อนอาหารก็ไม่มี ลุยหิมาไปสามวันหมดแรงแต่ก็ยังใจสู้นะพยายามที่จะเขี่ยวเขยนตัวเองเนี่ยไปอีกหน่อยแต่หลังจากที่นะเดินฝ่าหิมะไปชั่วโมงกว่ากว่าหมดแรงเลยตอนนั้นคิดว่าตายแน่ก็ ล่ำลาภรยาและลูกนะก็พร้อมจะตายเนี่ยท่ามกลางภูเขาบีปะแต่จู่ๆก็นึกขึ้นมาได้นะว่าถ้าตายตรงนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าหาศพยากในฝรั่งเศสเนี่ย กาษาเนี่ยจะตัดสินว่าบุคคลสูญหายเนี่ยจะต้องใช้เวลาเนี่ยหลายปีสี่ปีได้ถ้าไม่มีร่องรอยก็ถึงจะตัดสินว่าเป็นบุคคลสูญหายถึงตอนนั้นบริษัทประกันเนี่ยถึงจะจ่ายเงินให้กับครอบครัวครอบครัวคือภรรยาลูกเาก็ไม่ได้มีฐานะอะไรดีเท่าไหร่ เขาเลยนึกว่าเนี่ยถ้าเขาถ้าเกิดว่าตายตรงนั้นเนี่ยหาศพยากหรือหาศพไม่เจอเลยเนี่ยลูกเมียคงลำบากนะกว่าจะได้เงินประ ก, กันนี่ก่นต้องรอไปอีกสี่ปีเขาเลยคิดว่าเนี่ยต้องไปตายในจุดที่หาศพได้ง่ายก็ เ, ออเหลือไปเห็นนะมันมีแท่นหินอยู่แท่นหนึ่งเนี่ยสูงเด่น โดดเด่นแต่ไม่สูงมากประมาณร้อยเมตรจากจุดที่เข า, าเตรียมตัวตายเนี่ยเขาเลยคิดว่าเนี่ยต้องพยายามดิ้นรนเพื่อสุดท้ายอีกร้อยเมตรเพื่อที่จะปีนขึ้นบนกองหินนั่นแล้วก็ไปไปทอดร่างตรงนั้นแหละ ถึงเวลาที่คนมหาศพเนี่ยก็จะได้พบศพเขาได้ง่ายด้วยความรักนะด้วยความห่วงใยลูกและภรรยาเขาจึงมีเร็วแรงนะพาตัวเองเนี่ยเดินไปถึงหินก้อนนั้นแต่ปรากฏว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยมีแรงเดินต่อนะ เดินต่อไปได้อีกถึงเนะก้าสิบกิโลเมตรนะจนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยคนที่นั่นพอเห็นก็เลยช่วยชีวิตเขาได้ผมก็น่าทึ่งนะคิดว่าจะตายแล้วนะขอเดินแค่ขอมีเร้าแรงอีกสักร้อยเมตรแต่พอ ลงมือทำอย่างจริงๆนี่มันกลับมีแรงต่อนยเดินไม่ได้เก้าสิบเมตรเก้าสิบกิโลเมต ร, มตรซึ่งมันไกลามากนะขนาดเราเดินเท้ า, ปาเปล่านี่จากกรุงเทพไปสระ บ, บุรีเนี่ยเก้าสิบกิโลนี่มันก็เหนื่อยนะนี่แถมจะเดินลุยหิมะแล้วก็อาหารก็ไม่มีเร่แรงก็ใกล้หมดแล้ว แต่น่าเขารอดตายนะไอ้ที่เขาหอดตายเพราะว่าเขานะพยายามที่จะเคี่ยวเข็นผักดันตัวเองแต่ว่าเขายอมอยู่นิ่งๆอย่างที่เขาตัดสินใจทีแรกว่าเนี่ยฉันจะตายตรงนี้แหละเขาคงจะตายจริงๆแต่นี้เขาไม่ยอมพยายามจะกระเสือกกระสนดิน้นหนน แต่สุดท้ายเนี่ยการที่เขาพยายามผลักดันตัวเองเนี่ยให้สู้ต่อไปก็กลายเป็นว่าจากร้อยเมตรเนี่ยมีแรงเดินไปถึงเก้าสิบกิโลรอดตายแล้วกลับไปหาภรรยาและลูกได้สองกรณีเนี่ยที่เล่าเนี่ยมันต่างกันเลยนะกรณีแรกเนี่ยที่รอดตายเพราะอยู่นิ่งๆเนี่ย ยอมก่อนที่สองนี้ก็ยอมเหมือนกันนะแต่ว่าคิดว่าเนี่ยถ้าดิ้นรนอีกหน่อ ย, อยพยายามสู้อีกนิดเนี่ยก็คงจะดีแต่การที่เขาเดินต่อไปเรื่อยๆยไม่หยุดไม่ยอมแพ้ก็ทำให้เขารอด บางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาเจอวิกฤตเนี่ยมันก็ตัดสินใจยากนะว่าจะหยุดนะจะยอมหรือว่าจะสู้ต่อบางครั้งการหยุดการนิ่งนะไม่คนขวายไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็ทำให้สามารถเอาตัวรอดได้ การไม่ทำเลยบางทีมันก็หมายเป็นมันก็เป็นการทำอย่างหนึ่งนะคือทำให้ออกจากถูกออกจากปัญหาได้แต่ปัญหาบางอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำมันต้องสู้นะจึงจะเอาตัวรอดหรือว่าหลุดจากปัญหาได้อันนี้มันเป็นโจทย์ใหญ่ของชีวิตนะ คนเราเนี่ยถ้าหากว่าสามารถที่จะรู้ว่าเมื่อไหรควรหยุดนะหรือเมื่อไหรควรจะสู้ต่อปัญหาต่างก็คงจะคลี่คลายไปได้ไม่ยากแต่บ่อยครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าถึงเวลาควรหยุดได้หรือยังเพราะว่าสู้ต่อไปก็มีแต่จะแย่หรือว่าจะ ตกหน้าผาไปเลยหรือว่าสู้ต่อไปก็ทำให้สามารถจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เป็นเรื่องอยากนบางครั้งเนี่ยนม้นเราจะเพียรแล้วเพียรเล่าแต่มันไม่สำเร็จมันก็ไม่ได้แปลว่า มันจะไม่มีทางสำเร็จนะขอเพียงแต่ว่าเราไม่ยอมแพ้แล้วก็สู้ต่อไปไม่สำเร็จก็สู้ใหม่เพียรใหม่การที่เราเนี่ยล้มเหลวไม่สามารถจ ะ, ะทำสำเร็จได้ในครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ย ครั้งที่สี่มันไม่ได้แปลว่าครั้งที่ห้านี่จะทำให้สำเร็จนะอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาราธอนตอนอยุยสิบแปเนี่ยสามารถที่จะทำทำลายสถิติการว่ายน้ำมาราธอนนะหลายเส้นทางได้เช่นว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษ นะซึ่งเหมือนกว้างหลาย10กิโลนะแล้วก็เธอก็มีความตั้งใจนะฝ่ฝันอยากจะว่ายข้ามทะเลที่ขั้นระหว่างคิวบากับฟลอริดาของอเมริกาซึ่งเป็นทะเลเปิดและท้าทายมากตอนเธออยุ่ิตเนี่ยเธอก็พยายามนะ โอการว่ายน้ำข้ามทะเลเปิดที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะเพราะรยะห่างเนี่ยประมาณร้อยหกสิบกิโลเมตรทะเลไนงะแล้วก็คลื่นนี่ก็เอาแน่วนอนไม่ได้ทั้งคลื่นลมคลื่นทะเลแถมมีปลาฉลามนะจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ และถ้าจะไหว้เนี่ยมันก็มีกติกานะคือต้องไหว้รวดเดียวนะไหวรวดเดียว <c oughs> ไม่มีขึ้นไม่มีขึ้นเรือมาพักนะมานอนถ้าจะไหว้เนี่ยด้วยแรงของตัวเองเนี่ยร้ยหกสิบกิโลเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณห้าสิบชั่วโมงหรือหกสิบชั่วโมงนะ ก็หมายความว่าต้องไหว้ทั้งวันทั้งคืนไหว้ทั้งวันนี้กังก็ยากอยู่แล้วนะแดดเผาตัวไหมเกรียมกลางคืนยังต้องไหว้อีกนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนไหว้กลางวันแล้วนอกนกลางคืนนี้ก็ยังพอไหว่แต่ว่าวหายแบบนี้เนี่ยกลางคืนก็ไม่ใด้ขึ้นเรือนะก็ต้องไหว้ไปเรื่อย จะมาลอยคออยู่กลางทะเลก็ไม่ได้เดี๋ยวคลื่นมันซัดพาไปไหนไม่รู้ต้องไหวยไปเรื่อยๆไม่ได้นอนเนี่ยสี่สิบปดชั่วโมงเนี่ยอยู่บนอยู่ในทะเลตลอดนี่ผมไม่ใช่ง่ายเลยนะเวลากินอาหารเนี่ยก็ต้องหงายหน้าแล้วก็ให้คนในเรือแล้วเขาป้อนอาหารใส่ปากห้ามสัมผัสตัว เวลากินน้ำก็ต้องใช้ดูดน้ำมอาอจากท่อเพราะกว่าเนี่ยพี่ันนี้เนี่ยไหว้ไม่สำเร็จนะเพราะว่าเคลื่อนมันพาเธอออกอกไปนอกเส้นทางขืนไหว้ต่อไปนี่ก็หมดสภาพไม่มีทางถึงแล้วเธอก็เก็บความเรียกว่าความฝันเนี่ยเอาไว้เป็นเวลานานนะ เจอถ้าอายุหกสิบมันยังมีเรื่องค้างคาอยู่ยังไม่แล้วใจหกสิบเนี่ยอายุนี่ก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยเลยนะร่างกายเนี่ยต้องฟื้นต้องฟิตร่างกายเนี่ยเป็นแรมปีนะแล้วพอถึงเวลาจะไหวน้ำเนี่ยว่าไหไปได้ยี่กว่าชั่วโมงเจอคลื่น พาไปไหนก็ไม่รู้ต้องเลิกปีต่อไปว่าอีกไปได้สามสิบชั่วโมงเจอแมงกะพุนต้องขึ้นเรือหมดสภาพปีต่อมาว่าอีกก็ไม่สำเร็จเจอแมงกะพุนอยู่เหมือนกันหลังจากว่ายไปสามสิบชั่วโมงดูแล้วเนี่ยนะมันไม่มีทางเลยนะ คนอายุหกสิบผู้หญิงเนี่ยเราไหว้แบบเนี่ยซึ่งอุปสรรคเยอะมากทั้งฉลามทั้งแมงกะพรุนทั้งกระแสน้ำที่ไม่เป็นใจทั้งความหนาวนะหนาวข้างล่างในทะเลนี่หนาวข้างบนนี่ก็แดดเผาแต่สุดท้ายเนี่ยพอไหว้ครั้งที่ห้านี่บอกว่าสำเร็จนะ สามารถจะไปถึงฟลอริดาได้โดยใช้เวลาห้าสิบสามชั่วโมงก็หมายความว่าต้องว่ายในน้ําเนี่ยสองวันกับห้าชั่วโมงไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็เรียกว่าแทบจะเสียสติไปเลยนะเพราะว่าคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนานขนาดเนี้ใช้แรงและทานกินน้ําทะเลเข้าอีกเกิดประสาทเกิดประสาทเลือน แต่สุดท้ายก็สําเร็จนะกลายไปว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่คนคิดว่าทําไม่ได้เนี่ยแต่พอเอาเข้าจริงๆนะถ้าไม่แพ้อ้ถ้าไม่ยอมแพ้นี่มันก็ทําจนได้นะซึ่งเรียกว่าผิดผิดคาดมากซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้น่าคิดนะว่าการกระทําบางอย่างเนี่ยที่เราคิดว่าทําไม่ได้เนี่ย แต่ถ้าเราเพียรไม่หยุดสู้ไม่ถอยนี่สุดท้ายมันก็อาจจะทำได้นะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆมากมายเอาก็้อย่างจริงแล้วความเพียรพยายามยังไม่พออาจจะต้องอาศัยโชคแล้วอาศัยเทคโนโลยีที่มันพัฒนาด้วยเช่นขาวนี้เนี่ย คลื่นเนี่ยมันเกิดที่เคยเป็นอุปสรรคที่มันกลับกลายเป็นตัวหนุนทำให้เธอเนี่ยสามารถที่จะว่ายได้เร็วขึ้นแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการนำทางให้ไปถึงเป้าหมายได้เรียกว่ามีนวิเกเตอร์ซึ่งอาศัยการส่งสัญญาณจากดาวเทียมและฐานที่มีสัญญาณไล่ไล่ปลาฉลามีก ถ้าเป็นสมัย30ิปีที่แล้วพยายามทางไหนคงจะไม่สําเร็จแต่ว่าพอมาถึงวันนี้เนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามนะต้องอาศัยใจสู้ว่าจอเรื่อแบบนี้มันก็ทําให้เราอดคิดไม่ได้นะว่าคนเราเนี่ยน่าจะทําไม่สําเร็จแต่ถ้าว่าทําต่อไปทําต่อไป มันก็จะสำเร็จได้ขอเพียงแต่อย่าท้อถอยแต่ทั้งนี้ก็มีเงื่อนไขนะก็คือว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยอื่นมาประกอบด้วยถ้าเหตุปัจจัยมันไม่ไม่เกื้อนหนุนเพียงพยายามไปยังไงก็คงไม่สำเร็จและนี่คือสิ่งที่มันเป็นโจทย์ใหญ่นะว่าเหตุปัจจัยแค่ไหนเนี่ยสิ่งจะเรียกว่า ถึงพร้อมที่ช่วยทำให้สามารถบรรลุความสำเร็จได้ถ้าว่าเติมความเพียรลงไปของบางอย่างเนี่ยมันตัดสินยากอย่างเช่นคนที่ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยหลายคนคิดว่าเนี่ยถ้าสู้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันจะมีโอกาสรอดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอสู้ไปสู้ไปน่าจะเป็นการยืดชีวิตให้อยู่ได้ยืนยาวขึ้นแต่ว่า มันกับเพิ่มความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยในกรณีแบบนี้แทนที่จะสู้นะแต่ว่าปล่อยให้เขาจากไปอย่างสงบตามกระบวนการธรรมชาติยังจะดีสั ก, กว่าตรงนี้เป็นเรื่องตัดสินใจยากนะไม่ว่า จ, จะเป็นหมอหรือว่าญาติของผู้ป่วยคนป่วยเนี่ยเขาหมดสภาพไปแล้วแต่ญาติหรือหมอจำนวนไม่น้อยก็คิดว่าเนี่ย ต้องสู้นะแต่ว่าการสู้เนี่ยหลยครั้งก็ทำให้คนป่วยเนี่ยทรมานหนักขึ้นการไม่สู้แต่ช่วยทำให้เขาจากไปงสงบเนี่ยอาจจะดีซะ ก, กว่าแล้ตรงนี้เป็นเรื่องีตัดสินใจยากไา้คนเราเนี่ยถ้าว่าเรามีความสามารถในการแยกแยะได้นะว่ากรณีใดเนี่ยที่ถ้าสู้แล้วจะรอดหรือจะประสบความสำเร็จ หรือกรณีใดเนี่ยสู้ไปก็มีแต่จะสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายวิธีที่ดีสุดคือว่ายอมนะไม่ทําอะไรเลยหรือทําให้น้อยที่สุดอาจจะกลายเป็นการดีกว่าก็ได้เพิ่อเพื่ อ, อาจะรอดก็ได้นะอย่างกรณีแรกนี้ที่ลอยคออยู่กลางทะเลเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์นะที่มันหาข้อสรุปได้ยาก แล้วคนเราเนี่ยก็คงจะต้องมาเจอกับโจทย์แบบนี้นยอยู่เรื่อยๆเรื่องน้อยเนี่ยก็สักครั้งสองครั้งในชีวิตว่าจะหยุดหรือว่าจะสู้ต่อไปบางครั้งการหยุดอาจจะดีกว่าแต่บางครั้งการสู้ต่อไปก็อาจทําให้ประสบความสําเร็จก็ได้แต่ก็ไม่แน่นะเพราะบางทีการสู้อาจทําให้สร้างความทุกข์ทรมานอันนี้เป็นเรื่องที่คงต้องใช้ ประสบการณ์แล้วก็ปัญญานะในการแยกยะ